มาขึ้นเนติปกรณ์เลยนะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในวิจยหาระก็ทบทวนหน้ายี่สิบกเป็นต้นมาอีกครั้งหนึ่ง mm hmm. วิจัยหาระในส่วนที่สำคัญที่สุดของวิจัยหาระนั้นคือการพิจารณาข้อปุดฉากกับข้อวิสัชนา mm hmm. คำตอบทุกคำตอบต้องมีคำถามแล้วก็ทุกๆคำถามก็ตอบได้ เว้นไว้แต่คำถามที่ไม่สมควรตอบคำถามที่ไม่ควรตอบในพระพุทธศาสน า, าใหญ่ๆแล้วมีอยู่สิบคำถามด้วยกันอันนี้อย่าไปตอบเลยใครตอบเสียค่างโง่คือถามว่าโลกโลกเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงท่านว่าโลกเที่ยงหรือว่าโลกไม่เที่ยง โลกมันมีที่สุดหรือไม่มีที่สุดหรือบางอย่างมีที่สุดบางอย่างไม่มีที่สุดชีพอันนั้นสรีระ ก, ก็อันนั้นชีพเป็นอื่นสรีระ ก, ก็อันอื่นสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วเป็นอีกสัตว์เบื้องหน้าตายแล้วไม่เป็นอีกเป็นอีกก็ไม่ใช่ไม่เป็นอีกก็ไม่ใช่อย่างนั้นไอ้คำพูดประเภทนี้ไม่ควรตอบไม่ต้องไปตอบทั้งนั้นแหละเหมือนเาถามว่าเก้าอี้นีเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและอายุเท่าไหร่แล้วถามว่าคนดีๆทั้งหลายนะเขาจะตอบห ไม่ตอบนี่ก็เหมือนกันคําถามประเภทนี้ไม่ควรตอบอ น, นะคือคําว่าสัตว์เนี่ยนะถามว่าอะไรเป็นสัตว์ล่ะสัตว์เนี่ยนะถามหาในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีแล้วพันจะถามว่าสัตว์เนี่ยตายเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกเนี่ยเป็นคําถามที่เป็นโมฆะเป็นคําถามที่อยู่บนพื้นฐานของส ก, กายทิฐิคําตอบที่ตอบจะเป็นไม่สัตตติถิก็อุเฉทถิถิทันที ถ้าตอบว่าสัตว์ตายแล้วเป็นอีกหรือไม่ถ้าตอบว่าเป็นอีกสัตสตะถ้าไม่เป็นอีกเป็นอุเฉทะตอนนี้อะไรเป็นสัตว์ล่ะไม่มีเนี่ยน ะ, ะคือเมื่อแยกโดยสภาวะที่แท้จริงน่น ะ, ะความเป็นสัตว์ไม่มีคือขันห้าที่ประชุมกันเนี่ยนะโวหารว่าสัตว์จึงเกิดขึ้น บูหานว่าสัตว์นั้นเป็นการประชุมของขันห้าจึงเรียกว่าคนสัตว์เป็นนายกรนายขอนางงอเป็นต้นน่ะแต่ว่าเดรธีเข้าใจผิดสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัตว์เข้าเมื่อเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสัตเนี่ยก็เลยสำคัญว่าสัตเนี่ยตายแล้วเป็นอีกหรือไม่เป็นอีกแต่ถ้าเมื่อแยกแยะโดยความเป็นขันธาตุอายตนะก็เลยว่างจากสัตว์เรียกว่าสุญญตาอันนี้ความว่างจากสัตว์บุคคล เมื่อไม่มีสัตว์บุคคลอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสัตว์จึงไม่ได้เกิดหรือไม่ได้ตายโดยประมัดนั้นก็มีแต่ขันเท่านั้นที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยน ะ, ะคำว่าสัตว์เนี่ยเป็นโวหารเอาไว้เรียกขานกันไม่ได้ให้เข้าใจผิดเนี่ยนะแต่มีคนที่เข้าไปใจเข้าใจผิดแต่ก็มีเลยทงอีกนะก็เลยบอกว่าเออเมื่อมีแต่ปรมรัดก็เลยสัตว์บุคคลก็เลยไม่มีนะก็เลยคุยแต่ภาษาปรมรัดไอ้เขาคุยยังไงภาษาปรมรัด สวัสดีคุณเย็นร้อนอ่อนแข็งนี่หรือวสวัสดีได้ไหมอย่างไงยไม่ได้อยู่แล้วมันก็เกินไปอ่ะนะอันนั้นก็เลยทงไปนี่นะอันนั้นก็สภาวะธรรมเนี่ยเป็นที่ประชุมแห่งขันธาตุอายตนะขันธาตุอายตนะประชุมกันนี่เลยเรียกว่าเป็นโวหารว่าเป็นคนเป็นสัตว์ผู้ที่เจริญปัญญาทั้งหลายเนี่ยนะก็แยกแยะเมื่อแยกแยะ ก, ก็รู้กันว่าเป็นโวหารเอาไว้เรียกขานกันนี่นะ ก็มีกลุ่มที่รู้แต่ขันธาตุอายตนะเลยไม่รู้จักพ่อรู้จักแม่เอก็มีนี่ยในไอ้กลุ่มนี้เกินไปนั่นน่ะเพราะฉะนั้นโวหารทั้งหลายเอาไว้เพื่อสะดวกต่อการเรียกขานพารยะทั้งหลายท่านรู้แต่ท่านไม่สําคัญหมายด้วยอำนาจตันหามานะเละทิฐิทั้งหลายทีนี้เมื่อคนสัตว์ไม่มีเนี่ยนะโดยสภาวะเอาแล้ถามว่าอะไรเกิดอะไรตายเนี่ยนะความที่ขันประชุมพร้อมกันเรียกว่าสัตว์เกิดความที่ขันแตกคำลายเรียกว่า สัตว์ตายนนะโดยโวหารแล้วขันที่เกิดเพราะอะไรเกิดขันจึงเกิดปฏิสนธิการมีได้เพราะอะไรตัวตัวที่นําเกิดเห็นง่ายๆเลยก็คือกรรมก่อนนะกรรมใช่ไหมกรรมเนี่ยเป็นจําแนกให้สัตว์เลวเช่นเกิดในนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานกรรมเนี่ยเป็นจําแนกทําให้เกิดในที่ประณีตเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นเทวดาและเกิดเป็นพรหมกรรมก็คือเป็นชื่อของ เจตนาเจตนาสิบเอดดวงนำปฏิสนธิในอบายสี่อันนี้มหากุศลเจตนาเก้านำเกิดในมนุษย์กับเทวดารูปราวจรเจตนานำเกิดในพรหมโลกอารูปราวจรเจตนานำเกิดในรูปประพรมไล่ตั้งแต่รูปประพรมลงมาเว้นอสัญญศสัตว์เขาเรียกว่าขันหอาอสัญญาสัตว์เป็นขันเดียว ใน ร, ปป ร, รูปประภูมินี้เรียกว่าสี่ขันธนะ์ก็เรียกว่าเอกวการาภพจตวโวการาภพและปัญจโวการาภพเพราะบางอย่างที่มีสัญญาเรียกว่าสัญญาภพถ้าเป็นอสัญญาสัตว์ก็เป็นอสัญญาภพนะส่วนเนวสัญญาก็เป็นเนวสัญญานาสัญญาเยตนะภพก็จะเป็นแบ่งไปตามนั้นไปทั้นความที่ขันธ์ประชมกันโวหารวสัตว์จึงมีขึ้นทั้นกรรมนี่แหละเป็นตัว จำแนกทำให้เกิดนะที่ต่างๆแล้วกรรมเนี่ยนะอะไรเป็นตัวเป็นตัวคอยมากาหนดว่าเมื่อเหตุอย่างนี้ผลตองอย่างนั้นอะไรเป็นตัวควบคุมระบบอันนี้เนะี่ยระบบควบคุมกรรมแล้ให้ต้องให้ผลอย่างนี้นทำบาปต้องให้ผลเป็นทุกข์ทำบุญต้องให้ผลเป็นสุขใครเป็นตัวกาหนดควบคุมจิตใช่ไหมไอ้จิตเที่ยงเหรอตัหาเป็นตัวควบคุมระบบนั่นไนะ ตัณหาเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวเย็บอ่ะนะเคยเห็นผ้าขาดไหมก็ เ, เอาอะไรเย็บเอาได้เย็บเดี๋ยวนะคำพีนเนติปกรณ์รณนําไปสู่มรรคผลนิพพานตัณหาเนี่ยเป็นตัวที่นําไปสู่พบดีนะมันนํากรรมนับนำเจตนากรรมปฏิสนธิในพบต่างๆก็อย่างที่เคยกล่าวบ่อยๆ ย, ย้ําเสมอว่าเห็นดอกไม้สวยเนี่ยนะนะอาการเห็นว่าสวยนี่แหละเชื่อมให้มีตา ซึ่งอันนี้วิสัยเดียร์ถีคิดไม่ออกมันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าไม่อาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่คิดเลยว่าความเพลิดเพลินในสีนํามาซึ่งตานนะถ้าไม่อาศัยคําสอนเราจะรู้หรือไม่ว่าความเพลิดเพลินในเสียงเนี่ยทให้มีหนนะูฟังเพลงเพราะไม้นั่นแหละก็ความเพลิดเพลินในกลิ่นทําให้มีจมูกแต่ไม่ใช่จมูกอันนี้นะจมูกอันนี้เป็นผลของความเพลิดเพลินใน อดีตแต่ความเพลดิดเพลินในพพเนี่ยเป็นเหตุให้มีจมูกในพบหน้าจะจะโดง่งจะยาวขนาดไหนดีอย่าขนาดอย่าให้ถึงกับขนาดงวงนะจมู ก, ก น, นะแล้วก็ลิ้นนะ่ะนะเพลดิดเพลินในรถนะเดี๋ยวดูมื้อกลางวันนี่อร่อยไหมนะถ้าอร่อยเนะี่ยจะเอาลิ้นกี่แฉกก็ว่าไปตามนั้นไปนะแล้วก็ความอร่อยเนี่ยนะความเพลดิดเพลินในรถเนี่ยเป็นเหตุให้มีลิ้น แต่ว่าลิ้นจะเป็นลิ้นชนิดไหนอยู่ที่กรรมนะเป็นตัวจำแนกแต่ตันหานี่เชื่อมให้มีลิ้นอย่างเดียวอย่างอากาศดีไห้เนี่ยนะเปิดแอร์เย็นสบายอย่างเงี้ยดีนะก็อันนี้ก็มีกายแต่ว่ากายจะเป็นยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะอ้วนจะพร้อมก็ก็แล้วแต่กรรมจำแนกให้ส่วนชาวนะจิตเนี่ยนะปฏิสนธิในภพใหม่ควรจะสมควรแก่กรรมแต่ตัวที่ ที่เชื่อมก็คือธรรมะตันหาเนี่ยความเพลิดเพลินในธรรมมรมทั้งหลายเป็นตัวที่ทําให้มีปฏิสนธิจิตในภพต่อไปนั้นใครที่ตัดฉันทราคะในรูปเสียงกลิ่นรถโพธาภะธรรมารมณ์ได้หมดผู้นั้นเนี่ยทิ้งทิ้งขันอันนี้หรือทิ้งอายตนะอันนี้จะไม่ถือเอาอายตนะอันใหม่เนี่ยนะก็จะไม่ถือเอาอายตนะ อีกเลยโดยประการทั้งปวงทีนี้ผู้ที่มีความเข้าใจใ น, ในเหตุผลอย่างนี้เข้าว่าอ๋กรรมเนี่ยเป็นตัวเชื่อมให้ให้เกิดในพบใหม่โดยมีตันหาเป็นตัวประสานเนี่ยนะตัวประสานถามไอ้ตันหาทําไมมันจึงชอบละ่ะทําไมตันหาจึงชอบในในอารมณ์ทั้งหลายเพราะอาวิชามันตกปิดเอาไว้เนี่ยนะอวิชาปกปิดไม่ให้เห็นสัจธรรมเมื่อไม่เห็นสัจธรรมคือความจริงสี่ประการเนี่ยนะ ตัญหาก็เลยเพลิดเพลิน <im> <language> ในพบพบแล้วพบเล่าไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะก็เลยที่สุดจะอยู่ที่ไหนทุกคนในทุกขณะเนี่ยเรากำลังอยู่ท่ามกลางนะต้นก็ไม่รู้มาตั้งแต่เมื่อไรที่สุดข้างหน้าต่อไปไม่รู้อยู่ที่ไหนทุกคนกำลังอยู่ท่ามกลางแห่งสังสาระท่ามกลางขันอายตนะธาตุขันอายตนะธ า, าตาธาุเริ่มต้นก็ไม่รู้ที่ไหนที่สุดก็ไม่รู้ที่ไหนเพราะอาวิชชาเนี่ยมันปอกปิดเอาไว้เพราะตันหานี้ ผูกมัดนะนะผูกกับเพลินเนี่ยนะเพลินกับอารมณ์ทั้งหลายแหละนันท่สมุทยาทุขสมุทโยเนี่ยนะความเพลิดเพลินเกิดที่ใดทุกเกิดนะปุณะเนี่ยนะในความเพลิดเพลินนี้เป็นอัศธะใช่ไหมแล้วโทษของความเพลิดเพลินก็คืออาทีนวะแต่ว่าถ้าจะทำที่สุดแห่งทุกนะตัดชั้นราคาหรือละความเพลิดเพลินถ้าความเพลิดเพลินดับ วัตวทุก็ดับถามว่าอรกวงั้นทําตัวเครียดเครียดใช่ไหมจะได้หมดความเพลิดเพลินสัทีมันก็ว่าเบื่อนายโลกเต็มที่นะหน้านี่เหมือนกับแบกโลกไว้คนเดียวทั้งหมดเนี่ยอย่างนั้นไหมอันนั้นก็ไม่ใช่นี่นะเพราะว่าตัวที่จะทําให้บรรลุได้ปีติสัมโพชงต้องมีเนี่ยนะก็คือองค์หนึ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุถ้าใครอยากจะมีปีติก็เจริญพุทธคุณเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้เมื่อเราเข้าใจแบบนี้แนละว่า เบื้องต้นเนี่ยสัตว์ไม่มีมีแต่ขันธาตุอายตนะที่เป็นไปตามเหตุตัมปัจจัยถ้าตัดเหตุตุปัจจัยคือโลภะเหตุโทสะเหตุและโมหะเหตุได้ขาดเนี่ยน ะ, ะปฏิสนธิขันทั้งหลายก็ไม่มีแต่พื้นฐานที่จะเป็นอย่างนี้ได้นะเราต้องหาคำตอบคถามก่อนถ้าตอบอะไรสักอย่างหนึ่งต้องไปหาคำถามคาถามกับคาตอบนี่เป็นสิ่งที่สัมพันธ์กัน เขาตั้งคำถามว่าพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงเนี่ยนะถ้าใครตั้งคำถามแบบนี้จะเจริญพุทธคุณเป็นเนี่ยนะจะเจริญได้หรือไม่พระพุทธเจ้ามีคุณอย่างไรเนี่ยนะพระพุทธเจ้ามีคุณโดยย่ออย่างไรโดยพิสดารเป็นอย่างไรเนี่ยตั้งคำถามเป็นเจริญเป็นพระธรรมดีอย่างไรตั้งคำถามนี้เป็นเจริญธรรมานุสติเป็นพระสงฆ์ปฏิบัติดีอย่างไรเนี่ยนะคำถามง่ายๆอย่างนี้แล้วก็ตอบได้อันนี้คือการปุจฉษานะ วิจัยปุชากับวิสัชนาะรู้จักถามรู้จักตอบเนี่ยนะตั้งโจทย์เป็นนะถ้าตั้งโจทย์เป็นอย่างสมมเนนรูปหนึ่งสมัยพุทธกาลเนี่ยท่านจะให้พรว่าขอให้ถึงความสุขขอให้พ้นจากทุกข์ท่านจะให้พอรอยู่เท่านี้แหละเนี่ยนะจนตอนหลังในชาวบ้านก็รู้ว่าพระรูปสมัมเนตรูปนี้เทศได้อยู่เท่านี้แหละขอให้มีความสุขขอให้พ้นจากความทุกข์ ภาษารีบทก็ถามว่าสมมาเนนบุคคลจะพ้นจากทุกขเข้าถึงความสุขได้อย่างไรเนี่ยถ้ตั้งคําถามแบบนี้เป็นปั๊บนะที่เหลือพระไตรปิฎกมาหมดเลยอ่าบุคคลจะพ้นจากความทุกทุกคือทุกไหนทุกในวัฏฏะใช่ไหมว่าโดยโย่อๆเลยอ่ะพ้นจากอบายทุกเนี่ยด้วยอะไรด้วยวินัยด้วยศีลนั่นแหละพ้นจากการมัสุขติด้วยอะไรสมาธิหรือพระสูตรนี่ย น, นะ ว่าแบบกว้างๆ ก, ก่อนถ้าพ้นจากพบทั้งปวงก็ด้วยพระพิธรรมนั่นนะก็คือด้วยสมาศีล ส, สมาธิปัญญาหรือด้วยพระสูตรพ ร, พระวินัยพระสูตรและพระพิธรรมเรา ะ, ะนั้นความถ้าบอกว่าขอขอให้ท่านพ้นจากความทุกข์นะก็อธิบายถึงทุกข์ที่เป็นภายในภูมิสามแล้วก็แสดงถึงศีลสมาธิปัญญา อ่ะ น, นะถ้าปฏิบัตินนะนเนี่ยนะจะศีลเนี่ยจะทําให้มีความสุขตั้งแต่รักษาศีนลนะใช่ไหมเจริญส ม, มะถะ ก, ก็มีความสุขเจริญวิปัสสนาก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นกบอกว่าผู้ที่พิจารณาเห็นเหตุเกิดและความดับเนี่ยนะเกิดโดยอาการยี่สิบห้าดับโดยอาการยี่สิบห้าจะทําให้เกิดปีติและปรามโมทนั่นแหละเป็นอมะตะของผู้รู้แจ้งหรือเป็นอมะตะเป็นเครื่องปลื้มใจของผู้เจริญวิปัสสนาทั้งหลายนี่นะมันก็มีความสุขตั้งแต่เจริญรักษาศีลเจริญส ม, มะถะและ วิปั ส, สนาถ้าศีลสมถาวิวิปั ส, สนาประชุมกันเกิดอะไรขึ้นก็อารยมร ก, ก็ประชุมกันเนี่ยนะทีนี้อารยมรที่ประชุมกันอย่างโสดาปฏิมร์เนี่ยทำให้พ้นจากความทุกข์คือปฏิสนธิในภพที่8เป็นต้นไปปฏิสนธิในอบายทั้งหมดนะด้วยอนุภาพของโสดาปฏิมร์เพราะฉะนั้นถามว่ามีความสุขขนาดไหนสําหรับผู้ที่พ้นจากความทุกข์แบบนั้นแล้วก็โสดาปฏิมร์นะก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ นิพานังประมังสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งนนนะเพราะนิพนานเป็นความสุขอย่างยิ่งอริยมรรคที่มีพระนิพานเป็นอารมณ์ก็เกิดร่วมกับสุขเวทนาเป็นต้นด้วยซ้ำไปฉนั้นเรียกว่าสุขในมรรคสุขในผลและสุขในพระนิพานท่านแสดงว่าสุข ที่เกิดจากโสดาปฏิมักนะเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าเนวะสัญญานาสัญญายาตนะเอกเนี่ยนะนะโลกิยสุขไม่ต้องเอาไปเปรียบเลยเนี่ยนะนะแล้วก็ถ้ามักชั้นสูงๆอีกต่อไปก็เหมือนกันนั่นคือว่าถ้าจะอธิบายขอให้พ้นทุกข์ขอให้ถึงความสุขนะแสดงอยู่ทั้งคืนก็ไม่จบเนี่ยนะนะก็กว้างขวางมากนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นในพระไตรปิฎกทั้งหมดหรือที่เราเรียนเนติปกรณปฏิสัมพิธามมักนะหัวใจสําคัญอยู่เท่านั้นอนะ ขอให้พ้นจากทุกข์ขอให้ถึงความสุขก็มีอยู่เท่านี้จริงๆงนะนะก็ถ้าใครที่ไม่ไม่ได้นึกว่าวัตฏะเป็นทุกข์ไม่ได้คิดว่าพระนิพพานเป็นสุขหวังได้เลยเขาศึกษาพระธรรมได้ไม่ยาวเดีย๋ยนะอันนี้นเป็นรหัสว่าศึกษาได้ยาวหรือไม่ก็อยู่ตรงนั้นว่าเห็นทุกข์ในวัตฏะขนาดไหนเห็นอา น, นิสงส์ของวิวัตะคือมรรคผลนิพพานขนาดไหนอันนั้นก็เป็นเครื่องประกาศว่าศึกษาคําสอนที่เป็นพระไตรปิฎกได้นานขนาดไหน คำถามคําตอบนั้นเป็นเป็นสิ่งที่จะต้องเอามามาฝึกคิดบ่อยๆนะแม้กระทั่งเจริญศีลก็เหมือนกันศีลคืออะไรเนี่ยนะศีลพ่ออัตถว่าอะไรศีลมีลักษณะอย่างไรศีลมีอาการปรากฏอย่างไรศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้ศีลเนี่ยนำมาซึ่งอะไรอะไรเป็นอนิสงค์ของศีลเนี่ยนะศีลเนี่ยเศร้าหมองเพราะอะไรศีลเนี่ยผ่องแผ้วได้อย่างไรเนี่ยนะอะไรเป็นอนิสงค์ของศีลถ้าตั้งคําถามได้นะเราจะเข้าใจเรื่องศีลได้อย่างตลอด สมถะวิปัสสนาก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะถ้าตั้งคำถามได้ก็ตอบได้ฉะนั้นวิจยะหาระเนี่ยเป็นเป็นการพิจารณาคำถามคำตอบเป็นเป็นหลักแต่ทีนี้ถ้าคนที่จะเข้าใจคำถามได้ก็จะสังเกตจากโอ้คำนี้นะประโยคลักษณะนี้เป็นประโยคคำถามประโยคลักษณะนี้เป็นประโยคคำตอบเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าสอนทุกสูตรเนี่ยถือว่าเป็นลักษณะประโยคคาตอบซะส่วนใหญ่ เป็นประโยคคําตอบซสะส่วนใหญ่แต่ทีนี้ที่จะตอบคําถามหนึ่งเพราะอาศัยอุปัติเหตุมีเหตุเกิดขึ้นนะนะพระองค์ก็แสดงธรรมไปถ้าเหตุเกิดอย่างนี้พระองค์แสดงธรรมอย่างนี้เหตุที่เกิดขึ้นเหมือนกับคําถามการแสดงพระธรรมหมวดนั้นเป็นเหมือนกับคําตอบหรื อ, อ, อมีผู้ถามอันนี้ก็ตรงตรงใช่ไหมมีถ้ามีผู้ถามก็แสดงธรรมไปตรงๆรงมันเรียกว่าถามมาต่อไปเนี่ยนะก็เป็นลักษณะนั้น เมื่อสังเกตจากคำถามกับคำตอบคาถามคาตอบเนี่ยนะสิ่งที่เอามาถามก็เรียกว่าบทสิ่งที่เอามาตอบก็เรียกว่าบทันั้นคำถามกับคำตอบก็จะสัมพันธ์กันคำถามคำตอบก็สัมพันธ์กันอันนั้นก็เป็นปุพาประเนี่ยนะคำหน้าคำหลังเชื่อมกันเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้เนี่ยจะเห็นอย่างหนึ่งว่าที่ท่านถามท่านตอบเนี่ยนะในหลักอัสาธาทั้งนั้นเลย ถามตอบเกี่ยวกับเรื่องอัศธาบั้งอาทีนวะบั้งนิสระนบั้งผลบั้งอุบายบั้งอานัตบั้งก็จะถามตอบในเรื่องเราเหล่านี้คือถามตอบในเทศนาหาระนั่นแหละเนี่ยนะก็ก็ไม่พ้นไปจากนั้นแต่ที่สาคัญที่สุดต้องสมสมควรคือสอดคล้องกับหลักคำสอนทั้งหมดอันนั้นเป็นอนุคีติถามอะไรตอบอะไรก็ตามต้องสอดคล้องกับคาสอนให้หมดสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ พระเถระพระเถรีทั้งหลายท่านตอบปัญหาเสร็จท่านบอกให้ไปสอบถามกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งทันสมัยก่อนเนี่ยมีผู้สรุปให้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาพระอนุตอบอธิบายพระสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนันทระเทกรัสูตรหรือพระมหากัจยนะตอบมหากัจยนะระเทกรัสูตเป็นต้นเนี่ยท่านเหล่านี้จะให้ย้อนกลับไปถามพระพุทธเจ้าเสมอ มันเรียกว่าความสมควรทั้งหมดเนี่ยเรียกว่าอนุคีติความสอดคล้องความสมควรเนี่ยเอาพระพุทธเจ้าเป็นประมาณถ้าสมัยนี้แหละสมัยนี้ก็เอาคําสอนที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเป็นประมาณแต่ขณะเดียวกันอย่าดูที่เดียวนีนะอย่าอย่าใช้หนังสือเล่มเดียวอ่างั้นเถอะพระไตรปิฎกก็อย่าอย่าอ่านเล่มใดเล่มเดียวเอาเล่มนั้นเป็นเอ่อเป็นอย่างเดียวจนไม่อ่านเล่มอื่นๆ เอาเล่มนั้นเล่มเดียวเป็นหลักดีแล้วแต่ให้มีเล่มอื่นประกอบจะได้ไม่เข้าใจผิดเนี่ยนะจะได้ไม่เข้าใจผิดเพราะว่าเท่าที่ศึกษาพระธรรมร่วมร่วมกันเยอะๆเนี่ยนะถ้าเอาหนึ่งบทมาตั้งนะแล้วให้ทุกคนตอบทุกคนจะตอบตามอัธยาศัยของตัวเองเนี่ยนะโดยมากเอาเป็นประมาณไม่ค่อยได้ถ้าใครค้นความมามากก็จะตอบตามหลักของคาสอนมันเอาคาสอนเป็นมาตรฐานเพราะฉะนั้นทำมังสระงังคัฉามิในตอนแรกต้อง ต้องดีมากนีนะนะภาพปริยัติคือสารณะของเราทำมังสรารนางข้าฉามิตอนนี้เหลือภาพปริยัติอย่างเดียวถ้าผู้ใดมีมรรคผลนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็อนุโมทนาด้วยนะว่าเขาถึงโลกุตระสารณะแล้วแต่ถ้ายังไม่ถึงก็เอาปริยัตเป็นประมาณถ้าไม่เอาปริยัติแล้วเราเอาอะไรก็ไม่รู้จะเอาอะไรนะก็ทุกคนก็ไม่มีสารณะเหมือนกันถ้าไม่มีภาพปริยัติที่ทำเป็นสารณะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้ามีจริง เรานับถือพระพุทธเจ้าไม่ถูกหรอกฉนั้นพระพุทธเจ้าในความคิดของแต่ละองค์ยังไม่เหมือนกันถ้าไม่มีพระปริยัติธรรมที่เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าของแต่ละสำนักจะไม่เหมือนกันนะแล้วพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้กันคนละเรื่องเลยนะพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้กันคนละอย่างคนละอย่างนะแล้วแต่ใครจะว่ามาแต่จะพูดไม่ค่อยขัดกันก็คือพระพุทธเจ้าคือใครบอกคือเจ้าชายสิทธัตถะอันนี้พูดไม่ค่อยขัดกันะแต่ที่เหลือจะพูดขัดกันหมดอ่นะพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ขัดกันททนิก ถ้าเราไม่เข้าใจพระปริยติธรรมนะพระพุทธคุณเราจะไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจพุทธคุณแล้วและความปฏิบัติดีของพระสง์เราเอาอะไรเป็นไม้บรรทัดไปวัดท่านไปตรวจสอบท่านเออเนี่ปฏิบัติดีจริงๆเลยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัด <ul> ก็เอาปริยัตนนั่นแหละพระธรรมพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมนั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้ปฏิบัติดีเพราะดีตามเนี่ยดีตามพระวินัยดีตามพระสูตรดีตามพระ อภิธรรมคือเอาพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมเป็นเครื่องวัดเออดีจริงๆนะเพราะว่าพระวินัยเนี่ยเป็นเครื่องกําจัดความชั่วทางกายวาจาและอาชีพพระสูตรพระพิธรรมเป็นเครื่องกําจัดความชั่วทางความคิดเนี่ยนะทางจิตใจเออเนี่ยผู้ที่ปฏิบัติตามนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีถามว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้นะตรงไหมก็เรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงถ้าปฏิบัติตามนี้พ้นทุกได้ไหม นี่แหละ เ, เรียกว่ายญาติปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ผู้ที่ปฏิบัติได้ตามดังที่กล่าวไปก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมควรแก่การกราบควรแก่การไหวควรแก่การลุกรับควรแก่การยกย่องสรรเสริญเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าฉะนั้นปริยัติธรรมอย่างเดียวเนี่ยเชื่อมให้เห็นพระพุทธเจ้าเชื่อมให้เห็นพระสงฆ์ด้วยเนี่ยนะเชื่อมไม่เห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ฉะนั้ น, ะนถ้าผู้ใดไม่มีพระปริยัติเลย จะมีอะไรนอกจากไม่มีาศาสนานี น, นะก็คนไม่มีาศาสนาดีๆนะก็คือคนกําพร้านี น, นะก็ก็กัมพร้าถ้าตอนนี้เราจะเอาอะไรแหละยางเก่งที่สุดได้พระเครื่องนี่แหละแขวนคออันนั้นก็ดีกว่าแขวนอย่างอื่นทั้งหมดนะถ้าเทียบไปอ่ะนะก็ดีกว่าแขวนอย่างอื่นนะอย่างน้อยก็ยังยกมือไหว้บ้างก็ดีและเ น, นี่ยนะเพราะว่าผู้ที่ยังจิตให้เลื่อมใสแล้วละลึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งหน้าโมสักครั้งหนึ่งแหม αι. ก็เป็นวาสนาของเขาแล้วละ่ะ เป็นวาสนาที่จะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่ในยุคที่คำสอนอยังครบถ้วนบริบูรณ์ขนาดนี้ทำไมเราไปมักน้อยเอาเท่านั้นล่ะเพราะคำภีก็มีเยอะแยะไปหมดที่ให้เราได้เรียนได้ศึกษาเวลาก็มีสติปัญญาก็มีก็เจียดเวลาให้เป็นแบ่งเวลาให้ถูกเท่านั้นเองเนี่ยนะย้อนมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าการตั้งคำถามค า, มามตอบนี้สาคัญมากแต่ทุกอย่างที่ถามตอบนี่ต้องเป็นไปตามพระธรรม ตามคําสอนเป็นหลักนีนะเอาคําสอนเป็นหลักนั้นคนที่เรียนมากศึกษา ม, มากก็เรียกว่าคนมีทรัพย์มากทรัพย์คือสุตะเนีนะนะหลายคนเขาบอกว่าโอ้โหแล้วฟังเมื่อไหร่จะพอสทัทีหนึ่งเขาหวังกันเขาไม่รู้หรอกว่าผ้าหันไม่อิ่มในการฟังนะนะีะถ้าเขาเบื่อที่จะฟังก็แสดงว่าแต่ก็ถ้าเบื่อฟังเดราชานกถาแล้วเออันอนี้ยนุโมทนาด้วยดีละแต่ว่าถ้าเบื่อฟังอริยสัจเมื่อไหร่ก็ เสียหายอริยสัจเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนที่เข้าใจอริยสัจดีฟังอริยสัจเป็นร้อยปีกฟ็ฟังไม่เบื่อนีฟังไม่เบื่อนะ <c oughs> ก็อาทิตย์ทุกวันนั่นแหละถ้าเปิดเนติปกรณ์กับปฏิสัมพิทาเนี่ยวันอาทิตย์ทุกวันเลยกันนี่อันผู้ที่ฟังเนี่ยนะซับคือสุตตะแต่ผู้ที่ฟังมีซับคือสุตตะก็ต้องมีซับเบื้องต้นก่อนนะศรัท ธ, ธากับ ศีลอย่างคําพูดที่ปรารบเรื่องศีล น, นะคนทุศีลไม่ค่อยชอบฟังอันนี้พูดแบบให้ให้เกียรตินะไม่ค่อยชอบฟังจะว่าจริงๆเขาไม่ชอบฟังหรอกคําพูดปรารบศีลคนทุศีลไม่ชอบฟังคําพูดปรารบศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่ชอบฟัง นะคําพูดปรารบมีริโอตะ ป, ปะคนที่ไม่อายชั่วกลัวบาปไม่ชอบฟังคําพูดประเภทว่าการเรียนดีการฟังดีพาะปริยัติธรรมดีคนไม่มีสุตตะไม่ชอบฟังคําเหล่านี้นะีแต่ยิ่งพูดสมาธิด้วยคนฟุ้งซ่านยิ่งไม่ชอบการปารบขันธาตุอายตนะเกี่ยวกับปัญญาภูมิของปัญญาเนี่ยนะคนเข่าทั้งหลายไม่สนใจเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจสอบคนเหมือนกันว่า อริยทรัพย์ที่จะมีภายภาคหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะมีมากขนาดไหนเพราะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยอริยทรัพย์เหล่านี้เนี่ยนะก็เรียกว่าคนไม่ขัดสนในขณะเดียวกันถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปอุบัติขึ้นในโลกเห็นไหมเกิดถ้าสะสมไว้มากศึกษาไว้มากนะถ้าศึกษาเอาไว้ไม่มากล่ะไปเจอพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนเดิมนั่นแหละเนี่ยนะก็บอกก็เหมือนกับว่า เหมือนกับมีเรือข้ามฟากใช่ไหมเรือข้ามจากฝากหนึ่งไปสู่อีกฟากหนึ่งนะข้ามจากที่มีภัยแล้วพาข้ามฟากไปสู่ที่ปลอดภัยถ้าบอกว่าเรือก็ผ่านไปลำแล้วลำเล่าเราก็ไม่มีค่าโดยสารอีกอยู่ดีการศึกษาพระธรรมเนี่ยเหมือนกับการเตรียมค่าโดยสารเอาไว้เนี่ยนะทั้นเรือคืออริยมรรคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเราสะสมทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้น ซับเหล่านี้ก็จะนำเราออกจากวัตทุกให้รู้เธอว่าฝังคือขันห้าไม่ปลอดภัยรอกเนี่ยนะขันคือฝังคือขันห้าไม่ปลอดภยัยพิจารณาขันห้าโดยความเป็นตัวโรคเนี่ยนะโรคโตโรคโตก็ ค, คือตัวโรคนั่นแหละสารโตตัวลูกศรแล้วก็คันดโต ถ้าใครเป็นฝีนัแหละรักษาหายบอกไอ้ตัวขันห้า่แหละคือตัวฝีล่ะเพราะฉะนั้นรักษาอย่างไงก็รักษาไม่หายเว้นแต่ยาคืออารยมักเนี่ยนะสัมผัสพระนิพพานเมื่อไหรแล้วก็จะรักษาขันห้าได้หายอย่างแท้จริงเนี่ยนะแต่ถ้ายังอยู่ในขันห้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่ฝั่งที่ปลอดภัยอะไรเนี่ยนะซ่อนก็ไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะไปแอบซ่อนอยู่ตรงไหนนะ คนมาอีกครั้งว่าคําถามสุดท้ายของท่านพระชิตะถามถึงข้อปฏิบัติของพระเสขะและพระอเสขะ <Okay. S 1> พระเสขะนะคือผู้กัลยาณปุตชชนและพระโสดาบันเป็นต้นจนถึงอรหัตตมักท่านควรปฏิบัติอย่างไรพระอเสขะคือพระอรหันเนี่ยควรปฏิบัติอย่างไรพระองค์ก็ตอบว่าพระเสขะบุคคลไม่พึงติดใจในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมเลยนะ เอ้คิดยังไงไม่ติดใจในของสวยของงามเนี่ยนะในวัตถุกรรมเนี่ยโดยวัตถุวัตถุกรรมแปลว่าวัตถุที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดถ้าเสกขะต้องไม่ติดในสิ่งนั้นน่ะเนี่ยนะไม่ติดในของสวยของงามเนี่ยนะทำยังไงอ่านะคือหมายคำว่าสมมุนสมมุนง่ายๆว่าวะจะต้องอยู่กับดอกไม้สวยๆแหละนะแล้วอยู่ยังไงโดยที่ไม่ติด อันนันทุกอย่างเลยนะที่เป็นของดีประเนษนะจะยกคนที่เราพอใจมาเป็นตัวอย่างก็ได้แต่นะเห็นดอกไม้ง่ายดีไม่กระทบใครนะนะถ้าคิดยังไงจริงกับ่าดอกไม้สวยๆเนี่ยจริงจะเลิกติดใจอไม่ติดใจนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้ไปขยี้ดอกไม้ให้แหลกกับมือไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นแต่คิดยังไงจริงจะเรียกว่าไม่ติดใจในวัตถุกรมอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เกลียดดอกไม้ด้วยโชซะอีก นั่นแหละคือการเจริญสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยนะปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องพิจารณาถ้าไม่ให้ติดในวัตถุที่น่าปรารถนาก็อันนะอย่างตัวอย่างง่ายๆว่าดอกไม้เนี่ยนะกว่าจะเป็นดอกไม้เนี่ยเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนอะคนปลูกเนี่ยนะกว่าจะปลูกดอกไม้นี่ขนาดไหนถ้าไม่ฉีดยานี่จะมีดอกไม้เหล่านั้นไหมไม่มีเนี่ยนะถามวัตถุจริตคอร์รัปชันมีพะอาศัยสิ่งเหล่านี้ได้ไหม อดีตนางคุชุตระใช่ไหมเก็บค่าดอกไม้วัลสีกะหาปณ ะ, ะสกะหาปณ ะ, ะทุกวันเนี่ยนะเรียกว่ายักษ์ยอ ก, ก็อยู่แถวๆนั้นแถวๆดอกไม้นั่นแหละเพราะฉะนั้นปานาติบาศก็อาศัยดอกไม้อธินนาทานก็อาศัยดอกไม้สะพานเชื่อมให้สุการเมสุมิจฉาจาร์ก็คือดอกไม้มุสาวาฏก็อาศัยดอกไม้ก็าบอกคนชอบดื่มน้ำเมาในสวนดอกไม้นะเพราะฉะนั้นก็ว่าศีลห้าผิดได้หมดเลย เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมจึงมีเดรฉ า, านอยู่ในดอกไม้นนมีพวกเดราชานอาศัยดอกไม้อยู่ใช่ไหมมีดอกไม้เนี่ยเดราชาญชอบนักแลถ้าไม่ฉีดยาเนี่ยเดราชาญจะชอบมากก็ถามว่าทําไมเขาต้องไปปฏิสซนที่ไปเคี้ยวกินดอกไม้อยู่นั่นแหละก็ด้วยอํานาจของอกุศลกรรมที่ล่วงไปนั่นแหละถามว่าถ้าพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆถามว่าหายเมาในดอกไม้ไปเยอะไหม แล้วลวขนาดเดียวกันเราก็คิดว่าแล้วดอกอายุดอกไม้นี้สักเท่าไหร่เชียเนี่ยอายุนะก็บอกว่าให้ดอกไม้พวงนี้แหละดอกไม้สดพวงนี้แหละแต่ให้คุณอยู่กับดอกไม้พวงนี้ตลอดไปห้ามเปลี่ยนด้วยนะโอ้ไม่ไหวแล้วนะถ้าเอามากองไว้เยอะๆนะมันอับมันชื้นขึ้นมาแล้วเดือดร้อนแนะ่ถ้ามีดอกไม้เยอะๆนะถ้าอับเชิญดอกไม้กองนั้นแหละเดี๋ยวพานําโรคอันอื่นมาอีกบานเลยน ะ, ะพันการพิจารณาถึงอาทีนวะของ สิ่งเหล่านั้นอ่ะของของสิ่งที่น่าปรารถนาเนี่ยนะนั่นแหละเรียกว่าจึงจะไม่ติดใจในวัตถุกรรมและผมว่าต้องมีใจไม่มัวหมองเนี่ยนะมีใจไม่ขุนมัวเนี่ยนะไม่มัวมองไม่ขุนมัวถามทํำยังไงใจจึงจะไม่ขุนมัวปกติใจขุนมัวด้วยอะไรก็ด้วยยกยกตัวอย่างง่ายๆก็คือด้วยอกุศลวิตกคือการมวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตก คิดยังไงกามวิตกไม่เกิดคิดอย่างไรจึงพยาบาทวิตกไม่เกิดวิหิงสาวิตกไม่เกิดอย่างเช่นการมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกสาประการนี่เรียกว่าอากุศลที่ยังไม่ที่ ท, ที่ที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นการเจริญอินสี่ห้นี่แหละเป็นตัวที่กําจัดอกุศลวิตก